เทศอบรมพระเมื่อวันที่5ธันวาคมพศ2 5 0 8ณวัดป่ามั่นตาดจังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนพระของประพุทธเจ้าเป็นผู้มีความสม่ำเสมอในความพุทธเป็นผู้มีความสม่ำเสมอ ต่อการพิจาณาเหตุผลทุกด้านที่มาเกี่ยวข้องกับตนไม่แสดงอาการตื่นเต้นหดหดในกุศลที่มาเกี่ยวข้องกับตนคอยสังเกตตจดดู้เรื่องเหตุผลที่มาเกี่ยวข้องกับตน ทั้งที่เป็นฝ่ายดีฝ่ายชั่วเสมอโลกไม่ต้องถือเอาความตื่นเต้นและความหกหูเข้ามาเป็นอุปสรรคต่อการพิจารณาในสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนี่คือหลักทางดำเนินของพระเพื่อความสม่ำเสมอภายในใจกับสิ่งท่ทั่วไปที่มีความเกี่ยวข้องกับตนอยู่ตลอดเวลา การมาศึกษากับครูอาจารย์ย่อมมีหมคณะอยู่ร่วมกันหมคณะกับเราสำหรับพระผู้มีธรรมภายในใจแล้วย่างถือหมคณะกับตัวเองเช่นเดียวกันกับอวัยวะเดียวกันกายของเรา ใจของคนอื่นใจของเรากับใจของคนอื่นให้ถือเป็นความสม่ำเสมอมีน้ำหนักเท่ากันเช่นเดียวกันกับเรารับอวัยวะของเราหรือเช่นเดียวกันกันกบพ่อแมมีความจรงรักพอดีหรือเมตตาต่อลูก ทุกทุกคนซึ่งเป็นลูกของพ่อแม่โดยไม่คำนึงถึงว่าลูกมีมากมีน้อยจะแยกประเภทลูกคนนั้นให้เป็นความรักความเอาใจใส่มีหนักเบาต่างกันเรื่องความรักความถือว่าเป็นลูก่อม มีความเส ม, มอภาคกันนับตั้งแต่ลูกคนงบปีจนกระทั่งถึงคนสุดท้องแต่วิธีปฏิบัติต่อลูกของพ่อแม่ผูกมีความฉลาดยอมปฏิบัติตามมื่หนักเบาของลูกซึ่งควรจะรับประโยชน์ในทางใดมีเราดูด้วยกันตรงหมู่คณะส่งต่างก็มาศึกษาด้วยกัน โรดมีความจงรักท่านหีต่อกันช่วงเดียวันกับอายอวะอายอวะของเราเองเห็นใจเราก็าเห็นใจหมู่พืวนทุกสิ่งที่จะนำมาลงประโยชน์สำหรับเราอันเกี่ยวกับด้านวัตถุโปรดว่าคิดว่าทัวเป็นประโยชน์แก่หมู่พืวนด้วยกัน อีกท่านจนึงสัสไว้ในสารานิยธรรมคือทำตรงเพื่อหนหรือถึงกันเวลามาอยู่ด่วกันก็มีความร่มเย็นเป็นสุขเพราะความเห็นใจกันมีการสงเคราะห์สงหามีการอนุเคราะห์เมตตาทั้งเวลาปกติทั้งเวลามีการเจ็ดค่ายได้ป่วยและมีความจำเป็นอย่างอื่น มีความเอาใจใส่ด้วยความสนใจและเมตตาหวังดีต่อท่านผู้มีอาการเช่นนั้นเกิดขึ้นโวลาจากไปก็มีความคิดถึงกันกิริยามารยาตใดที่จะแสดงออกทางกายวาจาใจของตนเกี่ยวกับหนู่วนโปรดได้คำหนึ่งถึงเรื่องความผิดและถูกซึ่งเป็นต้นเหตุอันจะเกิดขึ้นจากตนก่อนแล้วค่อยแสดงกิริยาออกไป ลูกวาทั้งหมดนั้นจะกลายเป็นธรรมออกสักตนเองเมื่อคนอื่นได้รับสัมผัสจากปิริยาที่เราแสดงออกไปจะกลายเป็นความสงบดขินใจกลายเป็นความร่มเย็ยนเป็นสุขละป็นความสนิทสนมต่อกันตลอดกาลไม่มีจุดจังลูกผิดของพระถาคตปฏิบัติมาอย่างนี้ไม่เป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องไม่เป็นคนเห็นแก่ ตัวเองแต่เห็นแก่หมู่ข่วนเช่นเดียว ก, กันกับความเห็นแก่ตัวของเราคือมีความสม่ำเสมอภาคกันเช่นนะั้นเราจนำเรื่องของเราหรูอจะนำคำว่าเร า, าไปปฏิบัติตามหมู่ข่วนจะมีการเอาเปรียบอารักจะมีความไม่สม่ำเส ม, มอระหว่างแห่งความประทุิต่อกัน แต่จะเป็นไปพวกความละและคา่ไม่เป็นที่ไว้ใจนั่นคือเร่องไม่ใช่ธรรมแต่โปรดให้นำมายาที่ระบายออกจากกายวาจาใจของตนเกี่ยวข้องกับผู้อื่นด้วยธรรมให้ธรรมเป็นผู้นำหน้าเสมอในทุกสิ่งทุกอย่าง จะเป็นที่สะดวกสบายอยู่ด้วยกันมากน้อยจะเป็นเช่นเดียวกันกันกบอวัยวะของเราทุกส่วนที่มีอยู่ในร่างกายและความรับผิดชอบของเรามีความสมบูรณ์เต็มที่ตนเองก็จึงเป็นเจ้าของของร่างกายนี้อยู่จะได้รับความสะดวกสบายใจยังหนูคณะมีมากมีน้อยโปรดได้ทราบว่ามีความรู้สึก เช่นเดียวกันคือชอบดีเกลียดชั่วเหมือนกันสิ่งที่ชั่วพระพุทธเจ้าสอนให้ละละอกจากตัวเองคือการปฏิการละความชั่วอกสากตัวเองไม่ใช่จะละผู้ใต้คนอื่นนั่นไม่ใช่จริยาหรือวิธีการของภุะความชั่วแต่เป็นเรื่องความผู้ประสงสมความชั่ว ให่ตรงได้รับความเดือดร้ อ, อนโดยไม่รู้สุดตัวและทําคนอื่นให้ได้รับความเดือดร้ อ, อนทำอรยญาตอันไม่ดีของตนเองอีกบุ่การละรกิเลสขอพระพุทธเจา้าไม่ละพวกไปทำร้ายป้าผีผู้ใดละกอดจากกายจากวาจาของตนเราทิ้งไปตามความเห็นว่าไม่เป็นประโยช นี่คือทางดำเนินของพระพุธทธเจ้าเรื่องความรับความเมตตาสงสารสูก้กนรกันนี้องค์หลักของศาสนาพระพุธทธเจ้าและสาวกทรงดำเนินมาเช่นนี้จนกระทั่งถึงพวกเราศาสนาจึงเป็นความสม่ำเสมอและเป็นความเริ่มเย็นแก่โลกทุกทกขั้น ผู้ทีต้าเขามาอาศัยศาสนาคือคําสอนของพระพุทธเจ้าจะชื่อว่าเป็นผู้ดีแบบฉบับอันดีใจใช้ไม่ทําให้ผิดหลังสําหรับผู้มาเกี่ยวข้องรือนับถือพระศาสนาของรเราเพื่อเป็นผู้ที่ก้าวเข้ามาสูกความเป็นพระ ได้นามว่าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้ า, าเดียวกเช่นเดียวกันจึงโตรดไม่รำหนึง่งถึงธรรมที่กล่าวมาทั้งนี้ให้ถึงใจอยู่ที่ใดจะเป็นที่เบาอกเบาใจตรนเองและผูอ้อื่นและเป็นที่จงรักภักดีต่อหมู่เพวนไม่เป็นที่รักหายเครื่องภายในจิตใจเมื่อธรรมเหล่านั้นมาเกี่ยวข้องกับเรา ไปที่ไหนจะเป็นความร่มเงินต่าตนเองและผู้อื่นทั่วๆไปโดยไม่กำหนดการสถานที่พระธรรมเป็นธรรม ท, ท, ที่ตายโบยดื้อดูตัวอยู่เช่นนั้นผู้ปฏิบัติตามธรรมจะไม่ทำความเดือดร้อนแก่โลกและแก่ตนเองทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทําลงไปพูดลงไป คิดลงไปยาได้ลืมหลักธรรมะนำเข้าไปเป็นเครื่องพิสูจน์ความเคลื่อนไหวของตมเราจะมีทางออกโดยราบรื่นจากจิิงที่เคยเป็นฆาสศิษ์ต่อตัวของเราดูยาภายนอกจะเป็นความปุกพลาดหรือแสดงออกมาจากความฉลาดรูด้ภายในใจ ลง เ, เครื่องสอถึงใจทั้งนั้นฉะนั้นการสามูคกวียนจึงไม่สารลงที่หลักเหตุผลอยู่เสมอไม่เคยลบนักะพระปางยิ่งล่วงปัญญาล่วงปติไม่ว่าทําขั้นยาบขั้นกลางขั้นละเอียดไม่ว่าจะแนะนำมูเกวียงอยู่ในสถานที่ดใดใดต้องยกขึ้นแสดงเสมอพระหลักธรรมทั้งสองประเภทนี้เป็นคุณธรรมที่รับประทัน ความเคลื่อนไหวของผู้นำธรรมทั้งสองประเภทนี้ไปปฏิบัติจะไม่รับความผิดพลาิแต่จะเป็นไปพอความสมบัตเป็นลำหดับการไปการอยู่การทําสิ่งใดการพูดสิ่งใดเรื่องใดการคิดเรื่องใดแน่ผู้สุดไดปรับข้อวัดปฏิบัติภายในกุฏิของตัวเองก่อน โยกคล่องกับส่วนรวมก็ดีโยวคล่องกับครูอาจารย์ก็ดีโดยเพืนอนำสติปัญญาไปใช้อยู่ตลอดเวลาแง่ปฏิปทาไปบ้างเพราะความไม่รู้เท่าถึงการในเวลานั้นแต่อาจก็ได้สติขึ้นมา ไ, มได้ความรู้ความฉลาดขึ้นมาในวาระต่อไปถ้าเรื่องของสติเรื่องของปัญญานี้ไม่ทำคนให้งง ต่ปจะทาคนให้มีความฉลาดรอบครอบไปเป็นลำหนับไม่ว่าจะเกี่ยวกับการงานส่วนหญ่ส่วนกลางหรือส่วนละเอียดไม่ว่าจะเกี่ยวกับทางด้านจิตใจของตนโดยเฉพาะเรื่องความคติสัญญาเป็นทำรว่ารอบเป็นทำข้ามประกันเป็นทำรักษาความปาลอดภัยรักษาความติดกลาดไม่ให้เกิดขึ้นบั แต่ถ้าค่าดทำทั้งสองประเภทนี้แล้วเราอยากเข้าใจว่าจะได้ถึงแดนแห่งความสมหวังหรือได้นับสิ่งที่ควรสมหวังในอนาคตต่อไปถ้าความคิดา่นใทกีจ แต่หลักเป็นคนที่สางไวาแล้วจะพยายามกรเทีงใครมากาะทยงให้นให้เป็นภารตัดสิคนโดยถือยปฏิปัญญาเป็นเรื่องพดต่อไปนั่นแหละคือจะเป็นไปยุดทางขณะก่อผู้โดยและติการขณะหลังทำประกาศานาลุกบทลูกบาสที่พระพุทธเจ้าตรงสไว้ไม่ได้สังสอนมาอย่าง่อยๆแต่สังสอนลง ด้วยหัเยกเหตุเรื่องจากธรรมะทั้งหมดที่ประทานว่าออกมาจากหลักความบรสทิ์แห่งใจที่เกิดลูปมาจากหลักเหตคผลที่กระโยงลงบำเพ็ญ ม, มาโดยจุดออกแต่ก็องเพราะฉะนั้นเมื่อนํามาสัง่งสอนบรรดาไม่ว่าจะสัง่งสอนคนประเภทใด ทำนักที่เป็นปรเรเ่ตงผลทามประเทศของคนของคนท่าน น, นนั้นจะกลมกล่อมกันไปไโดยไม่ทำให้ผู้รับมารับการปกรองทุกอ า, างได้สังการหากาศาษณาไม่สมบูรณ์ด้วยหลักเหตุผลท่านเป็นเครื่องรนะรองกันทั่วโลกแารทำแลรงโฆษณาจะไม่สามารถทำโลกและทำให้มีความเจริญยื่งใือนไปได้ เรื trend, ment, honestly, strong, ่นี้เฉพาะศราศาสนาเป็นหลักที่รับรองมาจากความจิงพันแธะจริงของพระพุทธเจ้าที่เป็นต้นทุเกิดผลพันธุ์ุจึงควรที่จะเป็นที่ไว้ใจแส่ผู้รับกามาับการศึกษาด้วยอบรมนับหรือพระศาสนาของท่านและได้รับผลประโยชน์ตามขั้นภูกิแห่งการปฏิบัติของตนโดยลสำนับการศึกษายาหรือเรื่องอื่นที่เป็นวิสัยโลกประจำนใจ เข้ามาแอบแสงด้วยในวงแข่งการศาึกษามีจักรอาจารย์เป็ น, ปนแต่โปรดคํานึงถึงหลักเหต่ผลที่ท่านแสดงแต่มีความมุ่งต่อความถูกต้องตามหลักเหตุผลที่ท่านแสดงนะเท่านั้นไม่ต้องไปทํานึงถึงเรื่องว่าท่านดุบ้างด่าบ้าท่านชมเชยสนเสริญเราบ้า ท่านรักเราบ้างท่านเสลียดเราบ้างเหล่านี้ไม่ใช่เป็นหลักธรรของพระพุทธเจ้าและไม่ใช่เป็นฐานะที่ครูอาจารย์ผู้มุ่งอัดมุ่งทำและมุ่งจะสอนบรรดาลูกศิษย์ให้มีความเฉียวฉลาดไปตามหลักธรรมจะนํามาปฏิบัติและส่งเสริมเหยียดย่าลูกศิษย์ให้มีความผีหายไปโดยไม่ใช่ทาง ท่านชมกรงไหนแสดงว่าจุดนั้นถูกต้องเราก็ควรจะมีแจใจพยายามส่งเสริมจุดที่ท่านส่งสนเรานั้นหรือสันเสริญเหล่านั้นให้มีกำลังมากขึ้นนี่เป็นฐานะของเราแต่ความดีใจจนตื่นเต้นลืมตัวนั้นไม่ใช่ทางของท่านท่านตำหนิเรื่องใดสำหรับเรา เราไม่ควรจะแสดงความเสียใจและน้อยใจตามคำตำหนิของท่านแต่โปรดคำหนึงถึงเหตุผลที่ท่านตำหนินั้นมีชวนที่ผิดตามที่ท่านตำหนิหรือไม่ในตัวของเรา เ, เมื่อทราบชัดว่าเป็นความผิดแล้วพยายามปรับปรุงแก้ไขความผิดนั้นให้ถูกต้องตามความมุ่งหมายของท่านที่นำทาอันถูกต้องมาแสดง ต่อเราจนเป็นที่พอใจหาที่ตำหนิดตนไม่ได้แล้วในข้อนั้นอาจารย์จะไม่มีการตำหนิอิกต่อไปเถ้าการตำหนิดก็ดีการชมก็ดีมีความหมายจากครูอาจารย์ผู้เป็นธรรมผู้ดุกจิตได้รับประโยชน์ทั้งสองเงื่อนไม่ใช่จะชมเอาแบบโลกโลก แบบกระจกสอถอไม่ใช่จะเป็นการเหยียดเหยียดยามดูถูกหรือเหยียดย่ำกันเอาเฉยๆแบบคนไม่มีธรรมะภายในใจเลยทำหลังนี้แม้แต่โลกคนลเมืองดีเขาก็ไม่นำมาใช้เพราะการเหยียดดูถูกเหยียดยามกันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของมนุษย์ผู้มีเพศเพศหรือผู้มีกำเนิดอันสูงจะนามาปฏิบัติต่อกัน นอกจากจะให้อาภัยต่อกันเท่านั้นการมาศึกษาต้องตั้งใจอย่างเต็มที่อย่ามีความทอดแ้อ่อนแอในการรับฟังโอวาทและการปฏิบัติตามโอวาทเพื่อปรับตรุงส่งเสริมตนเองให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเป็นกำลับนี่คือทางเพื่อความราบรื่น นละเจริญลุ่งเรืองในอนาคตของเราแต่ละท่านจะต้องตรงไปตามทางสายนี้ถ้าแยกจากนี้แล้วไม่ใช่ทางตได้ทำความรู้สึกในระหว่างตัวเองกับธรรมะด้วยดีอย่าเห็นความอยากความปรารถนาความชอบใจอันเป็นหลักนิสัยซึ่งเนื่องมาจากที่เหลดเคยฝังใจมาเป็นเวลานาน เป็นผู้บงการออกมาโดยเราไม่รู้ตึกตัวแต่โปรดคำนึงถึงหลักธรรมะเข้าไปกาจัดปัดเป่าสิ่งเหล่านั้นเสมอจะกลายเป็นนิสัยของคนที่มีเหตุผลประจําตกทุกสิ่งถ้าขาดการส่งเสริมแล้วย่อมไม่มีกําลังขึ้นไปได้แต่กําลังจะคอยลดลงไป ความชื่วก็ต้องอาศัยการส่งเสริมจึงต้องมีกําลังก้าสามารถคํามดีก็ต้อง ม, มีการส่งเสริมเช่นเรามาอบรมศึกษาจากครูอาจารย์นี่เป็นการส่งเสริมความรู้ความฉลาดอันหนึ่งจากนั้นก็นําไปปรับปรุงตัวเองจุดใดที่เห็นว่าบกพร่องพยายามปรับปรุงตนเองเป็นลําดับลำดับ นี่ก็เป็นการส่งเสริมจิตใจให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งเป็นความสุขความสบาทาในใจด้วยทั้งเป็นการฝังนิสัยลงในเหตุผลแห่งหลักธรรมะคำสอนของป ร, ร, ระพุตธเจ้าให้แน่นหนามั่นคงลงไปเป็นลำดับลาดับด้วยนี่นัดปฏิบัติต้องทำความหนักแน่นในทำดังที่กล่าวมา จะอยู่ในวัดจะอยู่นอกวัดจะอยู่กับอาจารย์หรือนอกจากอาจารย์ไปแล้วโปดถือว่าธรรมะที่ได้รับการศึกษามาจากท่านนั้นเป็นธรรมะเพื่อเร า, าเราอยู่ที่ไหนโสรดได้ถือธรรมะนั้นไว้แนบถนิมีกับใจอย่าได้ลดละจะเป็นผู้มีครูมีอาจารย์มีพระพุทธทเจ้าตามเสด็จเมตตาเราอยู่ตลอดสายในการไปการอยู่ การประกอบทุกสิ่งทุกอย่างของเราครูจะเจริญรุ่งเรืองต้องมีธรรมเป็นเครื่องรักษาใจรักษามารยาทรักษาความประพฤติของตนทุกท้านที่จะเลื่อนไหวออกไปทางไหนต้ามีหลักธรรมเป็นเครื่องสอดคองมองรู้เสมออย่าปล่อยให้รั่วไหลออกไปตามนิสัยที่เคยเป็นมาซึ่งไม่ได้รับการอบรมมาก่อนเลยมาเป็นเจ้าเรือนของใจ การพิจารณาทางด้านจิตใจจะเป็นความยากความลำบากอย่าถือเป็นอุปสรรคเครื่องขีบขวางทางเดินของตนเพราะการทางานย่อมมีการลาบากไม่ว่างานทางโลกงานทางธรรมแต่ผลคือความดีนั้นจะต้องเกิดขึ้นจากงานเสมอไปถ้าไม่มีการทำงานผลจะเกิดขึ้นไม่ได้ เมื่อมีการทำงานก็ต้องมีความลำบากเป็นธรรมนาติผลก็ต้องเกิดขึ้นจากงานแม้จะลำบากขนาดไหนผลจะแสดงขึ้นมาขนาดนั้นเหมือนกันทำที่ทันสมัยทำที่คงที่อยู่กับตัวของเราเวลานี้คืออะไรชติปัฏฐานสีมีอยู่ที่ไหนกายเป็นชายสมอแลภูมิ เครื่องพิจาณาของสติปัญญาและสัทาความเกลียเยานาทุก ป, ประเภทเป็นช้ยสมรภูมิจิตที่คิดเกี่ยวข้องกับอารมณ์ทั้งอดีตอนาคตปรากฏตัวอยู่ตลอดเวลานี่คือชายสมรภูมิเป็นเครื่องรบเครื่องพิจาณาของสติปัญญาจะย่างลงทิ้งทำรวมทั้งตาเวานาจิต ก็เป็นชัยสมรภูม์ภูจะปฏิบัติธรรมะพั่อถอดถอนตนเองไม่พิจารณาทำทั้งสี่ประเภทนี้ไม่มีทางเลยเพื่อความพ้นทุกข์ได้เลยเพราะทำทั้งสี่ประเภทที่กล่าวมานี้คือทางอำนาจดื้อเอโกมัคโคเป็นทางเอกไม่มีทางสายใดจะเสมอเหมือนได้ในไตรโลกธาตุนี้เมื่อกล่าวถึงอยศสตร์กับอายศัสต์สี่แล้วมีอยู่ภายในตัวของเาัา นี่คือธรรมที่ทันสมัยยืนตัวอยู่ตลอดการนับตั้งแต่วันอุบัติขึ้นมาจนกระทั่งถึงวันอาวาสานแห่งชีวิตเป็นธรรมที่ยืนตัวอยู่กับเราและเป็นปัจจุบันธรรมมีอยู่ตลอดสายนับตั้งแต่วันอุบัติจนกระทั่งถึงบัดนี้และวันอาวาสานทารยังสติปัญญากับท่าความเพียรลงที่จุดนี้แล้วเบิม ไม่ให้จิตเล็ลดลอดออกไปทางอื่นที่นอกจากทางอันราบื่นหรือทางเหตุนี้แล้วจิตจะเคยงูก่าวตัวเองมานานเท่าไหร่ปัญญาจะไม่ฉลาดมานานเท่าไหร่สติจะไม่มีกอต่ า, า ก, การตั้งสติก็คือการบำรุงสติการพยายามพิค้นดโดยปัญญาให้รู้เหตุผลในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนทั้งภายในภายนอกก็เป็นการส่งเสริมปัญญา ความเพียนเป็นเครื่องสนับถนนอยู่เสมอนั้นคือทางก้าวหน้าให้สติและปัญญาพราะจิตที่รับการอบรมนั้นมีพลังงานขึ้นเป็นลำดับลำรั บ, รบเรื่องแบนทนทุกข์ห น, นีจากทางสายนี้ไปไม่ได้ขอให้ทุกๆท่านตรงทำความมั่นใจต่อทางดำเนินของตนที่เรียกว่าใช้สมองระคูมดังที่อธิบายผ่านมานี้มีไม่ล้าสมัย ไม่เลยสมัยแต่เป็นมัชชิมาของทางเดินสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นเพดอยู่ตลอดเวยล่ะขอให้ทำความเข้าใจกับตัวเองใจผู้เคยฝืนออกไปสู่ตามกระแสของโลกซึ่งเคยเป็นมานั้นเราควรจะนำมาเทียบเทียเหตุผลที่ได้รับจากความเป็นเช่นนั้นของใจดูบ้างและเราจะมีทางแก้ไข การฝืนจิตใจของเราเพื่อพิจารณาตามทางเดินอันน่าต้นดังที่กล่าวมานี้แม้จะมีพ ร, รมลำบากยากเย็นแต่ผลปรากฏอย่างไรบ้างเราควรจะทราบภายในตัวของเราถ้าผู้ใดมีการบังคับจิตใจดูในวงของกายในวงของเวทนาจิตธรรมนี้โดยเฉพาะดูแล้ว ใจจะเหนืออำนาจเล็ดลอดออกไปสู่อารมณ์ที่เคยเป็นข้าจิตมาเป็นเครื่องรังควานและสังหารตนเองไปไม่ไหนจะต้องเป็นไปที่ความสงบเยือกเย็นเห็นผลประจักษ์ใจเป็นลําดับลําดับแห่งการประกอบความเพียรการคิดค้นด้วยปัญญาก็คิดค้นในเรื่องเหล่านี้ให้เห็นตามสภาพความจริงของเขาจริงๆ เราลองคิดดูว่าทั้งหมดนี้เราถือว่าเป็นเราเราแยกประเทศแห่งเราออกไปดูสิว่ามีอะไรบ้างในอวัยวะท่อนนี้แยกดูผมเป็นเส้นๆออกไปเราจะสามารถยึดถือได้ว่าผมนี้เป็นเราได้อย่างถึงใจไหมเมื่อแยกกันออกเนี่แยกผมออกไปดูเป็นที่ไว้ใจซึ่งควรจะถือว่าเป็นเราได้ไหม แยกเล็บออกไปดูอีกประเภทของเล็บมีเท่าไหร่มีกี่ชิ้นกี่อันแยกออกไปให้เห็นชัดๆว่าเป็นเลาหน้าจริงหรือไม่หนังเนื้อเอ็นกระดูกแยกออกไปเป็นชิ้นเป็นชิ้ น, เ ป, น, นเป็นชิ้นตามประเภทของเขาตรวจสอบอวัยวะภายในทุกชิ้นแยกออกดูให้ชัด แล้วเราลองเอาเราเข้าไปตั้งไว้ในที่นั้นจะเป็นที่สนิทใจไหมถ้าปัญญาได้อย่างให้เห็นชัด่างนี้แล้วจะไม่เป็นที่สนิทใจเลยผมก็ทราบชัดว่าผมจะถือเป็นเราและเป็นของเราได้อย่างไรขนและปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกในอวัยวะทุกชิ้นภายในร่างกายนี้เมื่อปัญญาได้แยกออกดูจริงๆแล้วเราจะอาจเอาเราเข้าไปสวมเข้าในสิน่ง ล่านั้นแต่ละประเภทประเภทได้อย่างทนิทใจมัดจะสนิทไม่ได้นอกจากเราจะถือว่าเป็นเราเป็นของเราโดยไม่ได้คำหนึ่งอะไรเลยเท่านั้นล่วงของเราจรึงกลายเป็นล่วงใหญ่โตแบบทำการกดขี่บังคับยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกมาทับใจของเรานี่ปัญญาพิ่จะนาย่างเราจะแยกดูเวทนาก็เหมือนกัน เวทนาแต่ละอย่างละอย่างเป็นเรื่องที่เกิดเกิดจับกับเอาจริงเอาจังกับเขาไม่ได้ไม่ว่าเวทนาทางกายไม่ว่าเวทนาทางใจมีการเกิดการดับดับต้นกันอยู่เช่นนั้นมาแต่การไหนไหนเราจะควรเอาเราไปตั้งไว้ที่เวทนาตัวไหนพอตั้งไว้ที่ไหนมันก็ดับเมื่อเวทนาไหนดับเราก็จะดับไปด้วยเดือดร้อนไปด้วย อ้ลาซ่อเรืยองเป็นเรื่องเกิดเกิดดดับตลอดเวลาตามเวทนาที่มีการเกิดดับไปจำต้นะสัญญาสังขารวิญญาณก็โตรวเทียบตามลักษณะหรือตามนัยยะที่กล่าวมานี้แล้วเราจะเต็มใจเอาเราเข้าไปตั้งไว้ในรูปประขันนามขันนี้ในขันใดบ้างจะไม่เป็นที่สนิทใจได้เลยเมื่อปัญญาได้อย่างเข้าไปตามหลักความจริงดังนี้แล้ว นั่นแหละคำว่าเราจะถอนออกมาได้โดยวิธีนี้เพราะอัญญาเป็นเครื่องหวานร้อมรวดตราให้ชัดเจนว่ามีอะไรเป็นเราจริงๆหรือไม่นี่ไม่ใช่เป็นคำที่ละเอียดอะไรมากนะชวนที่ละเอียดยิ่งกว่านี้คือจริงที่แสงอยู่กับใจจริงๆตามหลักปริยัติานว่าอวิชชาคือความรู้แกม โงหรือความรู้โกหกความรู้แกมบงฝังอยู่กับใจนั้นแหละนั่นเป็นอวิชาที่แค่จริงอันนี้เป็นของที่ลึกลับมากทีเดียวทั้งๆ ท, ที่เขาก็แสดงตัวอยู่เช่นเดียวกับขันอื่นๆแต่เป็นความแสดงไปในทางละเอียดมากและแสดงเป็นความที่น่าติดจมอยู่ในนั้นด้วยอาการทุกสิ่งของอวิชาซึ่ง เป็นตัวของอวิชาจริงๆแล้วจะมีแต่เรื่องแสดงให้เป็นความเพลิดความเพลินความติดติดติตใจดูดดนวันยั่งค่ำคืนยั่งหลุ่งเพราะเป็นความแปลกประหลาดและอัจฉริยที่เราเห็นว่าใจของเรานี่ถ่องใสามากมีความองอาจกล้าหาญมากมีความสุขมากเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของอวิชาทั้งนั้น ปัญญาจึงต้องอย่างลงไปที่จุดนั้นให้เห็นชัดเช่นเดียวกับสภาวะทั่วๆไปโดยไม่มีทำไม่ทาความไว้วางใจกับอาการใดที่ปรากฏตัวขึ้นมาแต่ทำการพิจารณาด้วยปัญญาไม่ลดละเรื่องรูปก็ออกมาจากใจดวงกลมกืนกันกับอวิชชานั้น เวขนาสัญญาสังฐานวิญญาณก็ออกมาจากที่นั่นสัญญาอย่างเข้าไปที่นั่นแล้วจะได้ทำลายล้างของมัจจรที่หมุนตัวให้เกิดแต่เจ็ดปลายมาเป็นเวลานานได้แตกกระจายลงไปจากนั้นแล้วจะไม่มีอะไรเป็นเครื่องอศัศจรรย์ที่ส่องแสงขึ้นมาดังที่เคยดังที่อวิชาเค ย, เยแสดงตัวแต่เป็นคำอศัศจรรย์นอกโลกนอกสมมตินอกจากอาวิชา ทั้งเป็นความอรักกันที่ไม่มีปัญหาใดๆจะขัดแยง้งพอแทเกิดความงใสงสัยในตนนี่คือความเม่อยสุดของใจอันแท้จริงแยกจากสิ่งทั้งหลายได้แล้วโดยเด็ดขาดดูอำนาจแห่งข้อปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนถึงจุดสุดท้ายที่กล่าวมานี้มีทางเดินของผู้ปฏิบัติทั่วถึงทำสุดยอดโทษทาความเข้าใจกับตนเองว่าเป็นทุ่ตั้งหน้าจะ ดำบำเพ็ญตนให้เป็นสติกำลังความสามารถอย่าเห็นสิ่งใดมีคุณค่าราคาหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินของหลักดก็จะทำงานอื่นก็จะทำงานอะไรขาดตกบกทร่องไม่ถือเป็นสำคัญข้อสำคัญคืออย่าให้ข้อปฏิบัติมีสติปัญญาความเพียรที่หมุนกันไปนี้อย่าให้บกคร่องไปตามถึงเท่าไหร่นั่นเป็นของสำคัญผู้นี้จะจะเนู้รื้อเอา ถอนจิตใจของตนไข้พ้นจากโลกแห่งความสมมุติคือเกิดแต่เจ็บกายนี้ได้โดยเด็ดขาดทั้งหมดปัญหาทั้งอดีตอนาคตปรากฏแต่ความไวสุกย่างเต็มใจอยู่ภายในตัวเองนี่คือสันติโกอย่างเป็ภูม่คำว่านิพพานังประมังสุขขังเราจะหมายถึงอะไรไม่ต้องไปถามใครเพราะคำว่าสุนทานสันติโกนี้พระองค์ท่านไม่ได้ถูกขาดมอบไว้กับผู้ปฏิบัติจะกำจัดสิ่งที่ เป็นค่าศึกษาตนเองให้หมดไโดยสิ่นเชิงแล้วคว้าเอานิพพานังปรามังสุขขังขึ้นมาจากจุดจิงทั้งหลายแวดล้อมอยู่นั้นเท่านั้นทะนั้นในอวาสานแห่งธรรมานิขอท่านนักปฏิบัติทั้งหลายโปรดได้ทําความถ น, นักใจในตัวเองว่าเวลานี้เราเป็นพระอย่างเต็มูมิข้าปฏิบัติก็ควรจับให้เป็นภูมิเช่นเดียวกับเทศของพระเรื่องมรคนิพพานจาับ เป็นธรรมที่เต็มภูมิเกิดขึ้นจากข้อปฏิบัติโดยไม่ต้องสงสัยจึงขอยึดศิธรรมเทศนาเข่งขันข